อันนี้ก็คือทำแลวย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมพระธรรมต้องคุ้มครองพระธรรมคือเหตุผลคาว่าธรรมธรรมคานี้ไม่ใช่ว่าเป็นหลักอย่างอื่นเพื่อรับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสอนคือมีเหตุผลคาว่าธรรมคำนี้เหตุผลนั่นคืออะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำชั่วขนาดไหนทำดีขนาดไหนคำว่าเหตุผลคำว่าหลักเหตุผลคำนี้ถ้าจะย่นย่อให้เป็นครูปธรรมก็ว่า 1-1 บวกเป็นสองสองบวกสองเป็นส 4-4 สีบวกเป็น8ไล่ไปเรื่อยอันนี้แหละคือหลักเหตุผลไม่ผิดเพี้ยนถ้าผู้ใดอยู่ในหลักเหตุผลนี้แปลว่าเป็นที่ยอมรับถึงจากคนอื่นเขาจะตำหนิก็เถอะ ก็ทำนิแบบลมหลมเล้งๆไม่มีเหตุผลแต่ถ้าผู้ใดอยู่ในหลักเหตุผลนี้ผู้นั้นเป็นผู้มั่นเป็นผู้ชื่อตรงในธรรมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นถ้าขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมั่นอยู่ในธรรมคือมั่นอยู่ในหลักเหตุผลถ้าว่าพวกเราไม่มีหลักเหตุผลไม่มีหลักเหตุผลในการคิด ในการทมในการพูดพวกเราจะเป็นพลเลาะแหละหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านย่อมเอาพระธรรมมาประคับประคองในการคิดการทาการพูดพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมอย่างที่เอ็มพสาแผ่นที่39นี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังแล้วขอให้อานวยอวยพร แล้วนำทำคําสอนของพระพุทธศาสนานำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะประสบแต่ความสุขเย็นใจปลอดภัยในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมือ่อทุกทุกท่านเทอญ